ขอความสุขความเจริญจงมีแลระท่านผู้ฟังทั้งหลายเ ส, สียงทําจากมาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอคำกล่าวของพระาริบุตรเถระในช่วงนี้เป็นการกล่าวกับภิกษุทั้งหลายวันก่อนได้พูดมาในช่วงที่ว่า พระมหาโมนีเจ้าทรงเป็นผู้ชำนาญในอนุอนบุพภาวิหารธรรมตากคาสั่งสอนแก่เรานิโรธเป็นที่นอนของเราเรามีทิประจักสุอันหมดจดเราเป็นผู้ฉลาดในสมาธิมันประกอบความเพียรในสมะปรทานยินดีในการเจริญโพช่ง อันกิจทุกอย่างที่ระสาวกพึงบรรลุเราได้ทำเสร็จแล้วเว้นพระโลกกันนาตไม่มีใครเหมือนเราเราเป็นผู้สลาดในสมาบัติได้สารและมีวิโมกเรียวพรันยินดีในการเจริญโพชงถึงที่สุดแห่งสาวกคุณแต่คุณสมบัติเหล่านี้ เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ทั้งนั้นแล้วก็ธรรมะที่ปฏิบัติมันก็เป็นมรรควิธีที่จะนําไปสู่การบรรลุมรรคผลเป็นพระหันในที่สุดวิโมกนั้นวิโมกกรดีนิโรธกดีก็เป็นชื่อคนที่พ่านอยู่แล้วอรูปภูพาวิหารนั้นเป็นระดับโลกิยะคือระดับฌาน แต่พวทชงนั้นเป็นองคธรรมที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุธรรมสมาพวทชงนั้นถ้าเรามองในวิถีชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องพยายามให้มีตามกำลังความสามารถประการแรกก็คือสติการฟังการคิด การพิจารณาการตัดสินใจการปรองใจเชื่อเรื่องอะไรก็ตามเบลานี้จะต้องมีสติมากเป็นพิเศษและธรรมวิจยะคือการวิจัยการสอดส่องเรื่องทั้งหลายอย่างน้อยให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าฟังหูไว้หูอย่าเชื่ออะไรง่ายเกินไปโดยเฉพาะสื่อสารในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ วิทยุหรือว่าโทรทัศน์ก็ตามแต่เราสังเกตติดตามแล้วก็มีข้อมูลไปสอดแทรเทียบเคียงเราจะเห็นว่าเนื้อหาสาระที่ควรแก่การรับฟังมีไม่ทั้งร้อยหรอกส่วนหนึ่งก็ต้องใช้การวิเคราะห์วิจัยเอาเพราะว่ามันมีลักษณะทางอารมณ์ที่ต่อสู้กันเราเห็นได้ชัด ว่ามีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วพูดในลักษณะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่ น, นมันมากทำกลางกระแสสังคมอย่างนี้จะต้องคิดรอบครอบรอบด้านเป็นธ ร, รมวิจัยเลยการวิจัยการสอดส่องการเพ่งพินิษฐ์พิจารณาการสวสอบการสอบทานและวิริยะคือความพยายามพยายามที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือพยายามช่วยตัวเองให้ได้ พึ่งตนเองเป็นหลักไม่ใช่ว่าอคิดจะพึ่งพานักในสิ่งที่เป็นพวกโชคชะตาราศีหรือว่าดวงหรืออะไรอะ่ะพวกหวยเบอร์สลากอะไรต่างๆก็พยายามใช้ความเพียรให้ถูกทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าออทั้งหมด วิีของความเพียร น, นั้นจะต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่เพิ่มบาปแต่บาลดบาปเพิ่มบุญแล้วก็พัฒนาบุญจนกว่าจะได้ความสุขความสงบไปในใ จ, ใจิตใจจากนั้นเราจะเกิดปิติเกิดใจิตใจที่สงบแล้วก็มีสมาธิอย่างน้อยที่สุดก็สมาธิดีขึ้น แล้วก็อย่าไปยินดียินไายกับอารมณ์ต่างๆมากเกินไปเพราะเป็นกระแสในลักษณะค่อนข้างปุกราวเห็นตามคล้อยตามที่ตนพูดแต่เขาเป็นใครมีภูมิหลังอย่างไรเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าคนนั้นมันมีมายามีเจ้าเล่ห์มีเสแสร้งมีโอ้อวดมีแข่งดีมีหลอกลวงมีปลอมแปลงอะไรสารพัดเลย ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งปากปราศัยใจเชื่อคอมือถือศาสตรปากถือศีลปากบิก้นเปรี้ยวมันก็มีอยู่ให้เห็นในความตลอดเราะนั้นถ้าเราไปยินดียินร้ายกับเรื่องเหล่านั้นมันก็อดเครียดไม่ได้ต่อมาทั้งทั้งเจ็ดข้อเนี่ยจึงเป็นเรื่องจําเป็นแน่นอนเราก็ไม่ถึงบรรลุมรรคผลเป็นพระหานหรอก ในระดับปุถุชนก็เรียกจะได้สักสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็บุญแล้วมีสติมีการวิจัยสอดส่องธรรมะมีการความเพียรพยายามแล้วผลก็จะเกิดเป็นปิติมีความสงบมีสมาธิเวลากระทบอารมณ์ก็อย่ายินดียินร้ายมากเกินไป และที่ทับทันอย่างยิ่งก็คือว่าความยิน ด, ดียินร้ายนี่นําเราเข้าไปผูกพันด้วยความรักความชังแล้วก็เบียเบ่ยงเบนเข้าไปหากติา ก, กาละกันมันก็จะลําเอียงทางฉันทาคติกาตามใจชอบกันก็จะเป็นโทสะกติถ้าไม่รู้อะไรชัดเจนมันก็เป็นโมหกติแต่กลัวโดยไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวอะไร ก็แสดงเป็นปยญาคติเราก็อยู่ในเวทวงของอคติแต่ถ้าใจเราไม่สะสมความยินดียินร้ายเอาไว้ก็สามารถทำใจให้โปร่งเบาสบายได้อย่างน้อยก็เรียกว่าสบายใจได้ก็ต่อไปตั้งกล่วว่าเราทั้งหลายมีความเคารพในอุดมบุรุษด้วยการถูกต้องสาวกคุณ อุบุรุษนั้นคือบุรุษที่สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าพระหานั้ก็สูงสุดรองลดหลั่นลงมานะพระอริยะบุคคลก็สูงสุดรองลดหลั่นลงมามันก็คล้ายๆกับเอาขอมาวางเรียงกันแล้วก็จับผู้เรียงกันมันก็มีสูงสุดที่ลดหลั่นกันลงไปก็ถือว่าสูงสุดในฐานะนั้นนั้น คล้ายกับปถมประถมหกนี่ก็ถือว่าสูงสุดมัธยมหกนี่ก็ถือว่าสูงสุดปัญญาตรีก็ถือว่าสูงสุดระดับปัญญาตรีเด่นปัญญาโทก็สูงสุดระดับปัญญาโทก็หมายความว่าให้มันอยู่สักขั้นกับอะกันก็ถือว่าเป็นผู้สูงสุดในฐานะนั้นๆได้โดยอนุโลมนะฮะ คือไม่ใช่สูงสุดที่แท้จริงสูงสุดที่แท้จริงคือต้องเป็นพระอรหันต์สมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์สมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเอกบุคคลเป็นบุคคลเอกท่านที่เป็นเช่นนี้เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมมังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนันมากเพื่อเป็นการอุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เอกบุคคลนั้นคือพระอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าผลการเคารพที่แท้จริงที่ภาษาริบุตรแสดงเนี่ยหมายความมาเคารพโดยการสัมผัสสัมผัสระดับสาวกคุณคือคุณของสาวกแต่คุณของพระสาวกก็คือคุณเดียวกับของพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าของพระพุทธเจ้าสูงสุดกว่าทั้นั้นเอง ก็โดยสรุปก็คือปัญญาบริสุทธิ์และจิตใจมีความเมตตากรุณาเอาขนาดเนี้ยขนาดว่าใช้เหตุผลสติปัญญาแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจมีความสุจริตใจมีความจริงใจมีความเป็นมิตรกับคนกนัตรัย์ทั้งหลายเอาขนาดเบาๆขนาดสามัญชนได้ขนาดนี้ก็บุญโขแล้ว แต่แน่นอนถ้าสาวกเรียกว่าสาวกัดคุณคือคุณของพระสาวกนั้นก็เป็นคุณตามที่เราสวดสรรเสริญพระสังฆ ค, คุณปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติปตเป็นธรรมปฏิบัติสมควรแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นผู้ควรของคำนับผููควรรับผู้ควรทําบุญควรทำมัญชลีและถือว่าเป็นนาบุญของโลก ที่ไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าต่อไปท่านบอกว่าด้วยปัญญาเครื่องศัตรูหมายความว่าพระอราหันต์ที่จริงก็คือเรียกวศัตรูก็ได้แต่ไม่ใช่สัตรูดีสัตรูชอบด้วยตนเองเพราะว่าศัตรูเพราะการฟังจากพระพุทธเจ้าการสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ ทำอาสวะให้หมดไปสิ้นไปเช่นเดียวกันจิตของเราประกอบด้วยศรัทธาเป็นเพื่อนร่วมพรหมจันทร์ทุกเมื่อหมายความว่ามีศรัทธาเป็นเรือนใจเป็นหลักใจการประพฤติพรหมจันทร์เนี่ยมันต้องอาศัยความเชื่อเพราะแต่เราไม่เชื่อคือสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้สัมผัสอะ่ะไม่ว่าจะเป็นทานจะเป็นศีลจะเป็นอภิญจาจะนําไมจะเป็นเวียวัจจะไม จะเป็นศีลห้าจะเป็นพรหมมิหารจะเป็นศีลแปดตลอดถึงอริยมรรคถึงแ8 ป, ประการเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ไม่นํามาประพฤติปฏิบัติพอพอศรัทธ า, าแล้วมันจะเกิดวิรทยะในขณะที่ใช้วิริยะมันก็มีสติ แล้วก็มีปัญญาปินิดพิจารณาจิตมันก็เดินเข้าสู่กระแสของกุศลธรรมแน่นอนมันไม่ถึงกตัดทรุแต่ว่าสมรับท่านที่ปฏิบัติด้วยศรัทธาน้อยถ้าศรัทธาตั้งมัน่นก็จะให้สมเอตประโยชน์ตามที่ตัวเองต้องการพระบัรรย์คือการประพฤติประเสริฐหรือการประพฤติอย่างพรม สูง ส, สุดสุดสุดเนี่ยเขาเรียกว่าศาสน า, าพรมจันทร์หมายความว่าการใช้ชีวิตประเสริฐตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็แน่นอ น, นอก็ลดหลั่นแลหละลดหลั่นกันขึ้นไปยังย็ตัวอย่างท่านสาธุชนที่ฟังรายการธรรมะ ในขณะที่คนอื่นฟังเพลงฟังละครฟังอะไรตไรต่างๆกันอยู่เนี่ยเรวก็ฟังธรรมก็แสดงว่าเป็นพรหมจา ร, ร์ประกรันคือการฟังธรรมอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแต่ละคราวเราก็จะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่คือฟังสิ่งใดที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น บรรเทาความสงสัยเสียได้และปรับความคิดความเห็นของเราให้ถูกต้องได้อีกของผู้ฟังก็จะมีความผองใสสูงขึ้นแน่นอนเรื่องเป็นอันมากเนี่ยเราเคยได้ยินจะยกตัวอย่างว่าศรัทธาเนี่ยอาตมาเองเนี่ยเคยพบมาเป็นพันๆครั้งแต่ว่าพบเมื่อไรเราก็อ่านเต็มที่เราพยายามคิดพยายามทําความเข้าใจ แลเราจะเห็นว่ามันเป็นความยิ่งใหญ่มากเพราะว่าศาสนาเทวนิยมทั้งหลายในโลกนะทั้งปวงเลยเขาดำรงอยู่ด้วยศรัทธาสืบต่อกันด้วยศรัทธาเสียสละเพื่อศาสนาด้วยศรัทธาจนถึงก็ปกป้องรักษาศาสนามีความกระตือร้นที่จะพิทักษารักษาพระพุทธศาสนาได้ ในศาสนาพุทธเรานั้นเราจะเห็นว่าเนื่องจากเราไม่ย้ำไม่เน้นกันเท่าที่ควรชาวบ้านมักจะโลสรพาไปถล่มเล่นงานพระยามีปัญหาที่เกียกกกเก่ยวกับส่วนมากเกี่ยวกับสตรีกับสตางค์ไงนะฮะก็ไปถล่มเขาไปโอตายกันเลยแต่ว่าเวลาท่านดำเนินกิจกรรมทางศาสนา มากม า, กม า, กายไก่กองนะในวัดว่างานแต่ละวันในวัดที่มันเยอะมากก็ทำงานขั้นคืนดึกๆนะ่แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนสนับสนุนนะก็ปฐมเหตุที่นรมาได้มาบรรยายที่สถานีแห่งนี้พลเอกเสรีภูมิมาเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักกาันหร รู้สึกว่าท่านไปพบพีกุติท่านจะรู้จักทางไหนก็ไม่รู้ท่านก็มานิมนต์ออกอากาศที่สถานีแห่งนี้เมื่อก่อนนิมนต์ทั้งเจ็ดวันนะครับแต่พอดีช่วงหนึ่งก็เกิดไม่สบายแล้วก็จนถึงขอถอนตัวนะครับทำใบทํามาก็ยังเหลืออยู่สามวัน เกือมาใช้คำว่าปัญญาณพอมีแต่ไม่มีสตางค์เช่าสถานีท่านก็บอกว่าท่านมีสตางค์ก็อาศัยกันคนหนึ่งใช้จ่ายสตางค์ค่าเช่าคนอื่นก็พูดเคยช่วยกันไอ้นี่ถ้าเรามีการสนับสนุนการในลักษณะอย่างนี้ศาสนามันก็ดำเนินไปได้ ศาสนาเราอื่นที่เขาใช้ศรัทธาเป็นหลักเขามีกฎกันเลยว่าเรียกว่าร้อยสักสิบมาความได้เงินมาร้อยหนึ่งเนี่ยได้เงินมาเท่าไรก็นไม่รู้เอาสิเปอร์เซนเนี่ยธนุบำรุงศาสนาแล้วพระก็ไปรับใช้สนองงานประศาสนาอีกทีหนึง่งก็ไม่ได้เอาเป็นสมบัติส่วนตัวอะไรหรอกเอาไปสนองงานประสาสนายต่อห น, นึง่ง เถาทำบุญของสาธชนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะการที่พระสาริบุตรได้กล่าวคำว่าศรัทธาเป็นเพื่อนร่วมพรหมจันทร์ทุกเมื่อเป็นภาพที่เราเห็นว่าถ้าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยมีศรัทธาในสิ่งที่เราปฏิบัติ แล้วมันจะเพิ่มพลังก็สศรัทธาขึ้นศรัทธาขึ้นศรัทธาขึ้นสัมผัสธรรมะเลยลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นมันก็อยู่ในโครงสร้างของปริยัติปฏิบัติปฏิเพรศแน่นอนปฏิเบรศนั้นยังไม่สมบูรณ์เพราะการปฏิบัติยังไม่เต็มที่การศึกษาเราก็ไม่เต็มที่แต่มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปนเรื่อยๆก็เป็นความดีที่เราสัมผัสได้ในขณะนั้นๆ น, น แล้วท่านบอกว่าระวางมานะและความกระด้างได้แล้วภาษาที่บูตได้อ่อนโยนมากคือของนิสัยผู้ ด, ดีของท่านอย่างเด็ดด้วยแหละคืออ่อนโยนเหลือเกินนะฮะออ่อนน้องก็คนทุกคนแม้แต่กันเนีนเล็กๆนะพระเล็กๆเนียนเล็กๆท่านก็ยังอ่อนโยนเนนบอกว่าหลวงพ่อนุ่งห่มไม่เรียบร้อย คือจีวรมันมันฟิวไปหน่อยหนึ่งท่านหลบเข้าไปในภุ่มไมนะฮะไปโขมจีวรที่เรียบร้อยออกมาถามมาเรียบร้อยแล้วยังท่านอาจารย์เน้นสอนให้นะ่ะท่านเรียกอาจารย์มีพระรูปหนึ่งต้องการได้หน้าต้องการได้หน้าให้ให้ภาษาทีบุตรคุยกับท่านสนทนากับท่านถามชื่อเสียงเดียงนามท่านคนอื่นจะรู้จักท่านท่านจะเลยดัง พระสารีบุต ท, ท่านทักไม่ไหวคนเยอะคนมารุมกันส่งท่านเยอะต่อเลยไม่ได้ทักกรดีชายจีวรของท่านเนี่ยคือหมุนไปหมุนมานะฮะพระองค์นั้นข้ามาบอาใบทีนี้ไหว้ทีก็ชาจีวรก็ไปกระทบกับของภิกษุรูปนั้นแกนหาเรื่องหาว่าพ ร, ระสารีบุตรปรทุสรายแกพระสารีบุตรท่านขอโทษนะ ต้งขอโทษกาน ท, ที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีมาณะไม่มีความกระด้างแต่ว่าเป็นคุณสมบัติของพระอาหารหันต์พระอรหันต์ท่านเป็นก็ท่านอย่างนั้นแหละแต่พระสรัตรุดนั้นส่วนหนึ่งก็คือเป็นอัธยาศัยลึกๆของท่านเพราะว่าพระอรหันต์ท่านเล่า ว, วาสนาไม่ได้ แตนน่ในขณะเดียวกันบางอย่างเนี่ยท่านก็ทําไม่ได้เช่นการเดินไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีไปเจอคลองน้ําคูน้ําเล็กๆ เ, เนี่ยท่านกระโดดกระโดดไปได้เรียบร้อยก็มีภิกษุไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่วาพระสัทีบุตรเดินไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นวาสนาของเขา ก็เคยเกิดเป็นวานอนมาในชาติปางก่อนมันก็ติดนิดสัยอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเคยเกิดมาเป็นอะไรก็ตามมันจะอยู่ภายในลึกๆของจิตเราบางทีเราเรียกสันดานนิสัยสันดานอัธยาศัยก็ถึงบางโอกาสก็แสดงออกมาที่ชัดเจนคือแบบบุคลิกภาพ บุคลิกภาพของคนรเราเห็นว่าเวลาเขาพูดเนี่ยเขาเองไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาทำหน้าตาอย่างไี้แล้วพอไปดูตัวเองออกตุรทัศน์มันก็คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกนึกไม่นึกว่าตัวเองจะไปอธิบายอย่างนั้นทำหน้าทำตาอย่างนั้นแต่มันอยู่ไม่ดิ่งนะบางคนต้องยกมม้ยกมือถ้าไมงั้นพูดไม่ออกแล้วแกก็ลืมตัว อันนี้ธรรมสามัญชนธร่สมสามัญชนแต่ว่าพระเรียบุคคลบางอย่างปุคลิกของท่านก็แตกต่างกันออกไปพระบะองอาจจะพูดยากก็ได้เพราะว่าท่านสะสมวาสนามาในเรื่องเหล่านั้นอย่างนั้นท่านก็พูดไม่เพราะไม่เพราะหรอกแต่ว่าไม่ได้พูดด้วยความโกรธปกติเป็นท่านพูดอย่างนั้นเองเป็นปกติ ฉันพระปิลินทวัชาช์เนี่ยท่านจะเรียกใครจะใช้เข้ามาเจ้าถอยไปไหนเจ้าถอยทำอะไรเจ้าถอยขายอะไรเจ้าถอยบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่พอใจประชดประชันเอาเราเกิดเป็นบาปเป็นกรรมต้องไปขอขมาลาโทษท่านท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรครับบอกเขาไปขอโทษ มีคนหนึ่งท่านถามมาขายอะไรเจ้าถอยที่จริงน่ยเขาขายขายผานไถ่ผานธรรมไถนาเนี่ยแต่เขารู้สึกไม่พอใจที่พระใช้คำใหญ่เขาบอกขายขี้หนูเออขี้หนูก็ขี้หนูพอไปถึงตลาดจริงๆจะเปิดจะขายเนี่ยพรากฏว่าผานไถกลายเปขี้หนูเลยตกใจมาก รีบขับเวียนมาหาพระเถระขอกำมาลาโทษแล้วบอกว่าที่บอกแต่เท้าไปนั้นที่จริงมันเป็นผ่านไทยเออผ่านไถยก็ผ่านไยถยเจ้าจถอยก็ยังมีเจ้าถอยอยู่นะและว้วก็กลับเป็นกลับเป็นผ่านไทยเหมือนเดิมนี่คือไปเล่นกับพระอารามพระอรามนี่เป็นอัคีนะเป็นไฟเป็นไฟที่เรา มีคุณนันนันแต่มีโทษมหาหันหมายความมาการปฏิบัติกับพระหารเหมือนกันปฏิญาติกับพ่อแม่คือถ้าเราปฏิบัติไม่ดีก็มีโทษมหาหันเลยแต่ว่าถ้าปฏิบัติดีก็มีคุณนันนันเลยก็อย่างไฟที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันแล้วก็มีข่าวทั้งมีคุณนันนันแล้วก็มีโทษมหาหันให้ปรากฏอยู่ในเนื้อ จ ร, จริงดินน้ำลงพยอากาศมันก็มันก็อย่างนั้นนะนๆมีคุณนานๆ้วก็มีโทษมาหัก็ต่อไปท่านบอกว่าดุดงูที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วดุดโคอุสภ ร, ราชที่ถูกตัดเขาแล้วฉะนั้นหมายความอาการไม่มีมานะเนี่ยเหมือนกับงูที่ไม่มีเขี้ยวนี่มันไม่กัดใครอ่ะกัดใครก็ไม่เป็นอันตรายแล้วโคอุสุอุสภาราชอ่ะุสภ เป็โคตรถึกเนยะโคตรถึกชนกันได้พอดีก็ตัดเขาเลยก็ไม่ได้ชนใครแล้วลท่านบอกว่าจึงเข้าไปหาหมู่คณะด้วยความคาระวะนะ่ะหมายความท่านไปในที่ใดเนี่ยจะมีความอ่อ น, น้อมอาการที่เด่นชัดเนี่ยคือ อ, อ น, น้อม อ, อ่นโยน อ, อนหวานนี่แหละอยากจะเห็นที่ภาษาทิบุตร อ, อ น, น้อม อ, อ่โยน อ, อนหวาน เป็นปกติของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าปัญหาปัญญาของเราพึงมีรูปร่างชี่เสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายนี่เป็นผลแห่งการกล่าวชมเชยพระยานของพระภูมีรภาก้าวพระนามว่าอนุมััิสีคือหมายความปัญญาของท่าน เพิ่งมีรูปร่างเนี่ยมันก็จะสวยงามยิ่งใหญ่มากคล้ายๆกับเป็นกษัตริย์คล้ายๆกับเป็นกษัตริย์อันนี้คือมันจากสืบเรื่องมาจากที่ท่านสันเริญทยานของพระโนมมทัสสีสมาสัมพุทธเจ้าที่เคยเล่ามาตอนก่นกอนนะฮะว่าเป็นเอถให้พระเจ้าทรงพยากร ว่าบุคคลที่สันเสริญญยานของเราโดยวิจิตพิสดารผู้นี้ในโอกาสต่อไปก็จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทรงพระนามโคตรธรรแล้วจะได้รับการยกย่องเป็นอัครส า, าวกขว่ายขวาของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นบุญผุน บ, บุญทำนานเหลือเกินนะมันเป็นกลับเป็นกันมาเลย หลายกลับหลายการแต่ให้ผลไม่สิ้นสุดอย่างตามให้ผลใ้ท่านประสบความเจริญเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นจอมเทพเป็นอะไรต่อะไรต่างๆที่เล่าไว้ต่ตอนตนะ้นน่ะบุญยังไม่หมดเลยการสัรเสริญนั้นเป็นการสรรเสริญชั่วเวลาเป็นไม่ถึงชั่วโมงหรอกข้อความก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่หรอกแต่ว่าการสั่งสมบุญจึงนําสุขมาให้ มันตามหลังมาติดตามบุคคลไปเราโอกาสให้ผลได้จังหวะได้โอกาสเขาก็ให้ผลหแือให้ผลก็ไม่หมดอ่ะมันก็มียกยอดไปให้ผลเลยเพราะมันจะมีการให้ผลสามช่วงเขาเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนาการให้ผลในปัจจุบันอุปปัชชะ เ, เวทนาการให้ผลในการต่อไปตลอดถึงชาติต่ตอไปทีนี้พอถึงชาติที่สามล่ะชาติที่สามก็ ยกยอดไปให้ผลในชาติต่อๆไปต่อๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นแรงของกรรมกรรมื อ, อก็ทำํำนั่นที่ให้ผลต่อไปเพราะว่าแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละชาติเนี่ยบาปบุญคุณโทษอะไร ต, ต่างๆเราก็ทํากันเยอะทั้งดีทั้งไม่ดีนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่หมายความว่าสะท้อนธรรมสะท้อนทอนสะท้อนองค์ธรรมมาจาก วิถีชีวิตของพระสาดิบุตรเถระข้อต่อไปท่านบอกว่าเรายังธรรมจักรที่พระผู้มีพระเจ้าสักยบุตรผู้คงที่ให้เป็นไปแล้วให้เป็นไปตามได้โดยชอบนี้เป็นผลแห่งการกล่าวชุมเชยพระญาณคือหมายความมาเทศอธิบายพระธรรมจั ก, กรวัตนาสูตรเนี่ยได้วิจิตพิสดารคืออย่าลืมมาธรรมจักร ที่รู้เจ้าสูงแสดงไม่ใช่แสดงแบบพิศดานคือหมายความว่าวุ ธ, ธิภาวะของพระปัญจวัคคีย์นั้นท่านฟังได้ระดับนี้ไม่ต้องขยายหรอกพระเจ้าก็ไม่ขยายแต่ว่าแต่ละคำนั้นมันมีอัดที่จะต้องอธิบายเช่นสมมติว ah ่าฮีโนคโมโปธจเนโกนาริโยนัตสันิโตห้าคำอ้วเวลาเทศอธิบาย สองคำนี้อัตตกิลามะถานุโยกักบการมาตุกานิการนโยนี่พระเทศปัจจุบันก็เรียกว่าก็ได้กันนยนเพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาของผู้ฟังนั้นมีความยิ่งหยอดไม่เสมอกันแต่พระปัญโยคีนั้นท่านมีบารมีใกล้เขียงกันตอนเวลาภาษาดิบุตรนำมาเทศเนื้อหาของธรรมจักนั่นแหละ เทศตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทุกตัวอักษรก็ได้แต่ในขณะเดียวกันขยายความออกไปให้วิจิตพิสดารแต่ละคำอาริโยอัทหังกิโกมะโคเสยยะีดังสมาติสัมมาทังกโปอะไรนี่นะแต่ละอย่างนี้ต้นธรรมจักเราก็จริงๆถ้าเราจะเทศนี่เทศได้เป็นเดือนๆนะเทศไม่จบรอกพอวิจิตพิสดารมาก มันเป็นที่รวมของธรรมะในพระพุทธศาสนาทั้งหมดไว้แล้วอยู่ในธรรมจักรนี่แหละนอกนั้นถ้าเรามองเชื่อมโยงให้ดูก็จะให้ให้ดีนะให้ชัดเจนก็จะเห็นว่ามันเป็นการอธิบายขยายความของพระธรรมจักกับะวรรัตนะสูตรออกไปแต่นี่ก็คือผลที่เกิดขึ้นมาจากการยกย่องสรรเสริญพระญาณ ของพระพุทธเจ้าทรงพระนานโมโนมาทัศสียินดีในความดีของคนดีนะยินดีในความดีของคนดีแล้วก็ชื่นชมในตัวคนชื่นชมในตัวความดนะีชื่นชมในผลที่ท่านได้สัมผัสแล้วชื่นชมในเหตุที่ท่านได้ปฏิบัติหมายความเป็นคนที่ยินดีในธรรมยินดีในธรรมะ กลางธรรมมาแล้วรู้สึกสงบรู้สึกเยือกเย็นมีปีติมีประโมทก็ต่อไปท่านบอกว่าบุคคลผู้มีความปรารถนาเร็วสามปรารถนาเร็วสามคืออะไรคือหมายความว่าจิตมันตกอยู่ภายใต้กระแสของอกุศลปสารพัดแหละคือถ้าอากุศลแล้มันเร็วสามเท่านั้นแหละแยกตัวอย่างผู้เกียดตคราน พิกัดการก็เป็นอยู่ในธรรมที่เลวทรามประการหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันพัฒนาด้วยความเพียรและความเพียรตัวหลักในความเพียรของเราเองแน่นอนแล้วมีการสนับสนุนเมื่อกี้มีการเล่นพักเล่นพวกเล่นอะไรกันก็ก็เยอะพอสมควรแต่เราไปใส่ใจเรื่องเหล่านี้ไม่ไดไ้เรื่องของเขากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมเข้าไป ทุกคนมันมีภารกิจอยู่แล้วเราสามารถทำได้ด้วยสถานะที่เราเป็นนี่แหละเราสามารถทาได้ทำได้ตลอดไปแน่นอนมันก็มีคนบางพวกที่อาจจะเห็นเป็นเด็กไม่มีศักดิ์สูงไม่มีอะไรก็ไม่ฟังไม่ฟังก็ไม่ฟังไอ้คนฟังมันก็มีอยู่เหมือนภารกิจต่างๆเราก็ทาได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องไปดิ้นรนนะฮะกวนขวายเพื่อจะเป็นอย่างนั้นเพื่อจะเป็นอย่างนี้ปัญหาในที่ถูกต้องเนี่ยคือเราทำเราทำก่อนแล้วเราก็ได้ได้ในสิ่งที่เราทำอย่างน้อยเราก็เป็นเจ้าของผลที่เกิดขึ้นจากการทำของเราทีนี้ถ้าหากว่าคนอื่นก็ชื่นชมอื่นก็ชื่นชมก็กสนับสนุน แต่ว่าใครจะชื่นชมหรือไม่ชื่นชมเนี่ยตัวกุศลกรรมที่เราทํานั้นก็ทำหน้าที่ของมันคล้ายๆการสันเสริญพยานของพระโนมาทศีของประสานิบุตรในสมัยที่เป็นดาวบทนั่นเองผู้มีความเพี้ยนเลวหมายความว่าเพียนเหยาะแยะ่ทํางานเหยาะแยะ่ไม่เอาเรื่องเอาราวไม่ปฏิบติประต่ะตอไม่มีความตั้งใจไม่เอาจริงเอาจังในการงานเหล่านั้นทำทำหยุดหยุด วิ่งแบบกระแตนะฮะทำท่าหยุดหยุดจนกระตายขนาดเสียชื่อนะฮะวิ่งแพ้ตาอันนี้เรียกความเพลินเพลินมันเร็วเป็นถึงกระตายนะวิ่งเร็วจะตายเอาขนาดว่าบางทีเสื อ, อยังไล่มันไล่ไม่ทันนลยนะมันก่อนีนดูข่าวสุนัขสุนัขนะฮะสุนัขล่าเนื้อเลยไล่ไล่กระตา่ายไล่ไม่ทัน ว่วิ่งซกซซิกแซกซิกแซ ก, ก, กเนี่ยสุสนัข ก, ก็ปรับตัวไม่ทันนากระต่ายก็ปรับได้เร็วกว่าวเราก็เอเอเอมันก็ธรรมชาติมันก็ให้อะไรแกสัตว์มาสามารถเอาตัวรอดท่ามกลางอันตรายได้มีสุ ต, ตะน้อย ค, อคือคือไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนอะไรมาไม่ตั้งใจศึกษาแล้วเรียนอย่างในโลกสมัยปัจจุบัน ในโลกสมัยปัจจุบันที่จริงเป็นยุคที่เปิดโอกาสให้คนเยอะถ้าคนมีความตั้งใจนะฮะถ้าคนมีความตั้งใจว่าเราอาจจะขอเข้าเรียนแล้วก็ทำงานกลางคืนนะฮะกลางคืนกลางวันก็ไปเรียนอาจจะเหนื่อยหน่อยเอาความเหน็ดเหนื่อยนี้ลงทุนไปก่อนแล้วค่อยเก็บเกี่ยวผลเมื่อตอนปลาย ก็ เ, เรียกว่าทุกมาลงทุนแล้วกวเ็เกี่ยวหยิบเก็บเกี่ยวผลคือความสุขในตอนปลายถ้าเราความสุขมาลงทุนจะก่อนมาเป็นต้นตุนจะก่อนแล้วตอนตอนปลายไอ้ตอนตอนตอนปลายมันจะเหลืออยู่เฉพาะความทุกข์เราก็เดือดร้อนตอนแก่นี่ก็เพราะอะไรเพราะมันมาจากมีสุตตาน้อยแล้วไม่พัฒนาตัวเอง สังคมสมัยปัจจุบันโอกาสพัฒนาตัวเองนี่มีสูงมากในสังคมไทยเรานั้นเราเรายอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าศาสน า, านั้นมีช่องทางช่องทางที่จะช่วยกุลบุตรต่างๆเนี่ยแต่เธอต้องตั้งใจนะฮะให้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสน า, ศ า, ศาจะมีคุณสมบัติถูกต้องก็แล้วกัน เข้ามาโดยไม่มีพระไตจีบรมาเลยพระก็จัดการบวชให้ได้แล้วเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาแล้วเรียนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างที่ท่านบอกไว้ว่าเนี่ยลูกคนจนคนแค้งแสนจะคิดอาจแฝงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อจิจโผเป็นเมธีเหตุนี้ไม่ควรหลูดดูมินกันนี่ผลของความเพียร น, นะฮะมันเหมือนกับต้นไม้อน่ะนะ ไม่ตอนปลูกเนี่ยเราไม่รู้วต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าพันมันมีมันเป็นพันไม้ชนิดไหนล่ะตอนปลูกก็ิ่งดูเท่าๆกันนั่นแหละแต่ว่าถึงจุดหนึ่งไอ้สายพันธุ์จริงๆมันจะแสดงออกมาแล้วมันจะใหญ่ตามสายพันธุ์ของมันมนุษย์เราก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเริ่มอย่างนี้ มันก็เสียเรื่องผู้ไม่มีอาจาระคือประพฤติไม่เรียบร้อยอาจาระแปลว่าความประพฤติประพฤติตนไม่เรียบร้อยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดอะไรแต่แถวเนี่ยนะเป็นการเคลื่อนไหวในชีวิตของเราแล้วตอนนี้ก็สอนสอนนศึกษาระดับปัญญาโทปัญญาเอกก็ มันมีต้องไปคอยอามาเป็นคนที่ถือเรื่องเวลามากตอนสอนนักศ่านักนักศึกษาชัน้นปัญญาตรีเนี่ยสอนได้สบายคือตรงโดยเวลาพอมาถึงโทรเอกไม่เราต้องไปคอยเกินเวลาแล้วนะเราสาบไปให้เกินเวลาแล้วเพื่อไม่ต้องคอยก็ยังต้องคอยอยู่เอ้ยนทำไมนี้ก็แปลก แต่ว่าตอนสุดท้ายนี่เลยก็ต้องประรบอะไรเตือนเตือนสติไปหน่อยหนึง่งเพราะว่าส่วนมากอาจารย์คนอื่นเขาก็นุ่มๆเราแก่แล้วก็ตักเตือนใครก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่เป็นห่วงนะว่าเราต้องการผลที่ดีแต่ว่าเหตุเราก็พร่องกระแเพง แล้วผลดีมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะเรื่องความประพฤติเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆเราเนี่ยคือคือมีความเพียนเลวก็เป็นแสดงว่าอาจารรมันไม่มดี้ดยอาจารยเป็นสิ่งสะท้อนถึงตัวตนของบุคคลผู้นั้ น, นว่าควรแก่การยกย่องสรรเสริญหรือไม่ ควรแกการส่งเสริมสนับสนุนหรือไม่แต่เขามีปัญหาที่ความประพฤติมันก็พูดยา ก, ก น, นะฮะประการต่อไปก็คืออย่าได้สมาคมกับเราในที่ไหนๆสักครั้งเลยนี้เป็นการอธิษฐานในอดีตของท่านนะฮะคือหมายความมาคลประเภทเนี้ท่านเองก็รู้ว่าท่านไม่สามารถจะแก้ไขเขาได้เพราะถ้ามาอย่างนี้มาเป็นอะไรล่ะ ปรัถนาเขาเรียกจริงๆก็เรียกปราัถนาลามกนะะส่วนมากเขจะใช้คำว่าปรารถนาลามก น, นี้ท่านใช้คําว่าปรารถนาเลวทามเป็นผู้เกียดคร้านผู้มีความเพียรเลวผู้มีสุตตน้อยผู้ไม่มีอจาระเนี่ยฝึกไม่ไหวขนาดพระราหันยังไม่กล้าฝึกใจสามัญชนมืฝึกได้ยังไงแล้วโลกเราไม่ขาดแคลนคนประเภทนี้ซะด้วย ไม่เยอะเพราะเห็นอยู่เป็นประจำในวัดในว่าก็อไม่เว้นนั่นนะมันก็อยู่ทุกคนทุกแห่นั่นแหละหรือว่ามีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองท่านบอกว่าส่วนบุคคลผู้มีสุตมากคือศึกษาเรียนรู้มากพูดกันง่ายเข้าใจกันง่ายแล้วก็มีปัญญาอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่ผู้มีจิตตั้งมัน่น ไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนไม่โยกคลอนไม่สั่นไหวไปกับอารมณ์ต่างๆแล้วก็ตั้งมั่นด้วยดีในสีนต่างปัญหาความประพฤติไม่มีปัญหาเรื่องความรู้ไม่มีปัญหาเรื่องความคิดไม่มีปัญหาเรื่องความสามารถก็ไม่มีเราก็เสริมาต่อยอดแต่ต่อยอดให้เขาตัวญิงเขาจะเดิญเติบโตมากขึ้น คือความสุขของพระเนี่ยมันก็แบบความสุขครัวคืออะไรก็ตามที่เราทําแล้วเป็นประโยชน์แก่ประชาชนประชาชนเขาได้ดีมีสุขเขาได้หลักในการดาเนินชีวิตได้แนวคิดแล้วก็เราก็รู้ว่ามาจากตรงนั้นเราก็อนโมทนาท่านนี้มันก็ชื่นชมกับเขาเราพูดคนฟังเยอะแต่พอดีคนอื่นเขาไม่สนใจ มีคนก็สนใจเข้านำมัเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติพันคนออกได้เสนกคนเราก็บุญแล้วเด็กวาชาติหนึ่งก็อาจจะช่วยคนได้หลายคนแล้วท่านบอกว่าผู้ประกอบด้วยสมถะทางใจคือมีความส ง, งบส ง, งบภายในใจสมถะแปลว่าส ง, งบ มาความมาไม่อาจจะไม่ต้องมีรูปแบบก็ได้แต่ว่าใจมันสงบจงขอจงตั้งอยู่บนกระหม่อมของเราเชิดชูเชิดชูยกย่องคนเหล่านั้นโดยนั้นเราจึงขอกล่าวเราจึงขอกล่าวกับท่านทั้งหลายขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้ชี่มาประชุมกันในสมาคมนี้ ขอท่านทั้งหลายจงมีความปรารถนาน้อยสันโดษเป็นมีปกติเพ่งพินิษยินดีในฌานในการทุกเมื่อเถิดนี่ก็เป็นหัวข้อที่ท่านก็แสดงว่าพระมาขอให้ท่านเล่าความเป็นมาของท่านโอนการเล่านี่เป็นเล่าจากญาณ น, นะเล่าจากญาณภายในของท่าน แล้วก็มีธรรมะเยอะต่อไปยิ่งเยอะนะฮะต่อไปยิ่งเยอะอีกเพราะว่าท่านกล่าวธรรมะกล่าวสั่งสอนพระภิกษุกล่าวต่อพระพักพระพุทธเจ้ากล่าวต่อหน้าภิกษุทั้งหลายแล้วก็ท่านรวบรวมมาไว้ในที่เดียวกันนี่ก็คงเจอกันอีกหลายครั้งแต่ก็อย่าลืมนะว่านี้จริงๆก็คือบางตีก็มาจากพระสูตรแต่ว่า รูปแบบโครงสร้างเนี่ยมันจะต่างกันแนวนี้จะเป็นแนวคถาแนวฉันทลักแนวบางทีจะเป็นคำร้อยแก้วธรรมดาบางทีก็เป็นร้อยกรองบางทีก็เป็นร้อยแก้วนะแต่ว่าในทีน่นี้เป็นร้อยแก้วเนี่ยเป็นคำอธิบายของพระเจ้าจานี่ ที่เป็นสัญลักษณ์ก็เป็นคำกล่าวของภาษาริบุรตรเอระตากล่าวตามสถานการณ์นั้นทั้งหมดมันมันมันอะไรเป็นความจริงตามที่ท่านสัมผัสมาแล้วท่านได้มาเล่าแน่นอนบางครั้งบางคราวนี่มันเป็นเรื่องในป่าอยู่ในป่าก็พันนาเรื่องในป่าก็ทํานองไัชูโชคที่มัน ไปพบพระเวสันดรที่เขาวงกตเนี่ยก็ผ่านป่าเบนจะผ่าไปเวลาเล่ามันก็เรื่องต้นไม้นานานชนิดเพราะในป่าเนี่ยจะเอาอะไร่าจะมีสัตว์บ้างเขาก็เรียกจุลพลหนึ่งกันเลยจุลพลก็คือป่าป่าเล็กนะครับ ที่นี้มหาพลก็คือป่าใหญ่ป่าใหญ่หมายความมันเป็นป่าลึกดำบันป่าต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆมีสิงสาราสัตว์อาศัยอยู่ตลอดทั้งการนนาเานี่ยพันนาเ่าเนี้ยแล้วก็คิดบทเรียนก็คิดบทเรียนจะพูดตรงเนี้ยธรรมะมันก็คิดจากจากป่าไมา้จากสิ่งที่ประสบพบเห็นในเรื่องนั้น แต่มือระดับพระอรหันต์เนี่ยท่านมองเห็นเป็นธรรมะไปหมดหยิบอะไรขึ้นมาก็สอนได้แนะได้นำได้อธิบายได้แล้วก็เป็นตัวอย่างอุปมาอุปไมยเทียบเคียงให้สอดคล้องกับวุติภาวะของผู้ฟังในขณะนั้นๆได้นี่คือสิ่งที่ควรแก่การภาคภูมิใจที่เรามีพระในศาสนาของเรา ที่มีอย่างพระสารีบุตรก็ดีอย่างพระนรุตก็ดีที่เล่ามาเนี่ยคือว่าทุกองค์นั่นแหละความมาพระที่ดีๆทั้งหลายเป็นต้นไปจนถึงพระหานลงมาก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเป็นอาสัรร์ของพระธรรมที่สามารถปฏิบัติผู้พัฒนาตน ต, นตามหลักธรรมให้ดั่งสมผลผดผลลึกซึ้งตามเสด็จร อ, อยุคนบาศของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทุกอย่างไม่มีอะไรสายหรอกแต่ว่าสกยภาพของเรามีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นเรื่องต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆเท่านั้นเองทุกขั้นทนายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุดตีไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไพบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทวกันสวัสดี